ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบทลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคราบสั่งให้ประชุมสงฆ์เพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุทรงสอบถามพวกภิกษุชาวพคีว่าภิกษุทั้งหลายทราบว่าพวกเธอชักชวนกันเดินทางไกลร่วมกันกับภิกษุณีทั้งหลายจริงหรือพวกภิกษุชาวพคีทูก ร, รับว่าจริงพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงตำหนิว่าโมฆาบุตรทั้งหลายฉนยพวกเธอจึงชักชวนกันเดินทางไกลร่วมกัน